เราเพียงเอาไม่ทุกข์ก่ทนใได้ถ้าหากเรารู้ว่าซาตา น, นเกิดเป็นอันนั้นสาตาเกิดเป็นอันนี้เราเหาะได้ถ้าทุกข์อยู่ก่อนไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ความหมายเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องแก้ปัญหาตัวเองแก้ทุกข์เท่านั้นเองถ้าคนใดไม่จ้องเข้าวัดก็ได้นี่ยจะทูลหาหลวงพ่อว่าเว้ยหลวงพ่อนี่ฮะบวัวให้คนเข้าวัดไว้คนทําบุญแล้วบวัวแม่ อ, อย่างนั้นแต่ว่าให้ฟังว่าความจริงเนี่ยไม่เข้าวัดจากทีก็ได้ ไม่ตักบาจักทีก็ได้ไม่รับศินก็ได้ถ้าเห็นจิตใจตัวเองแล้วนั่นแหละประเสิบสุดที่เข้าใกล้พระพุทธเจ้าที่สุดแล้วคนนั้นน่ะเพราะทุกข์ไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบัดนี้คนเข้าวัดคนฟังธรรมรักษาศินทํากรรมาฐานแต่ทุกข์อยู่นอนไม่หลับคนใดพูดให้โกรธเกลียดพอใจอันนั้นก็ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยแล้วอ่าพระวักกะลิศอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าจึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าเพราะไม่เห็นธรรมนั่นเอง อันนี้เนี่ยที่หลวงพ่อพยายามพูดกันอยู่ทุกวันไม่ใช่ห้ามนะจะหาหลวงพ่อเนี่ยโอ้ยไม่ต้องเอาเข้าไปให้หลวงตาได้กินด่ะนโอ้นั่นกับมันเข้าใจผิดหลวงพ่อไม่ได้ ห, าห้ามนี่ให้เรารู้แจ้งเห็นจริงเอาเองว่าอย่างนั้นแต่การฐานนั้นดีแล้วเพราะประเทศอื่นเขาว่าเรียกสงฆเคาะอนุเคราะว่าสันบ้านหลวงพ่อว่าอนุเคาะเขาบ้างว่าสันขขและศาสนาที่เขาว่าอนุเคราะห์บ้านเราเรยาว่าฐานคำเดียวกันให้ฐานดีแล้ว รักษาศีลดีแล้วทำกรรมฐานดีแล้วเทพีศสนาดีแล้วขคนยังโกรธเกลียดอยู่มีทุกข์อยู่กับไก่จากความจริงที่สุดแต่ควรจริงธรรมะที่หลวงพ่อนำมาเทศนําำมากล่าวนำมาตักเตือนกันนั้นจะคาดคิดออกไม่ได้หรือดนเดาเอาไม่ได้เพราะว่ามีในหนังสือกลธรมสูตรบอกเอาไว้แล้วว่าอย่าเชื่อถือ โดยเขาพูดตามกันมาท่านว่ายาเสื้อถือโดยเขาเล่าลือกันมายาเสื้อถือโดยเห็นเขาทาตามกันมายาเสื้อถือท่านว่าเห็นว่ามันมีอยู่ในตราราหรือกำพีท่านคาอย่างนั้นแล้วก็ยาเสื้อถือโดยการเดานึกคิดเอาเองหลายข้อนะสิบข้อนะแต่ไปดูเอาเอง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 หลวงพ่อเคยพูดแนะนำเอาไว้หลายท่านแต่คนเขียนหนังสือหลวงพ่ออ่านไห้เป็นนะเขียนหนังสือก็เขียนมาถ้าหากเป็นภาษาหลวงพ่อตีครหมายได้แต่แปลได้แต่ขอให้วงเล็บไปดีที่คำตัวเองยังสงสัยนะไม่ใช่ห้ามนะถ้าวงเล็บไม่เพื่อคนพูดที่อ่านข้างหลังคำพูดของหลวงพ่อเป็นอย่างนี้ยังจะไม่เปลี่ยนแปลงบางคนตัดคาพูด ทิ่งไปไปแเป็นภาษาแล้วมันก็เลยความหมายก็เพี้ยนไปดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนอยาเสือถือโดยเขาพูดตามกันมาอยาเสือถือโดยเห็นว่าเขาเล่าลือกันมายาเสือถือโดยเห็นเขาทําตามกันมานี้จึงว่าขอขอกับพวกเราทุกคนอ่านหนังสือไปพบบางสิ่งบางอย่างนั้นให้เข้าใจคําพูดของหลวงพอ่อไม่ คงที่ก็มีบางคนะํานะยังว่าเตือนกันเอาไว้บัดเนี้ถ้าคนในเอาเทปไปเขียนก็ตามหลวงพ่อไม่ได้สงวนนะแต่ยินดีคนเอาไปใช้ได้แต่ขอให้วงเล็บเป็นคมหมายไว้เออคํานี้เราไม่สามารถที่จะแปลออกมาได้ก็ต้องรักษาไว้แต่ว่าแปลออกมาได้แต่คําเดิมให้มันยังคงที่อยู่หลวงพ่อเข้าใจว่าเมื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้จําไว้พวกเขาจะตีกฎหมายหรือเขาจะปฏิบัติรู้มาเป็นอย่างนั้น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 เหมือนกับเราถูกระดานหรือถูที่สปกปกหรือซักผ้าซักเครื่อเราที่มันสกปกเราไปขยี้หลายเทือนนะยองเขา้าที่สกปกนั้นมันจะเลอะเลือนไปหมดเลยแล้วกับผ้าก็จัดสะอาดขึ้นมาตามเดิมตัวสัญญาตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราลูบ่อยเข้าบ่อยเข้าสัญญาตัวนี้มันจะแน่นหรือว่าจําได้แน่นยําแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อพูดเรื่องหลวงพ่อเอง หลวงพ่อไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดจึงว่าหลวงพ่อพูดจะเรื่องของตัวเองเรื่องตัวเองมีอย่างไรคนอื่นก็ต้องมีเหมือนกันพราะคนอื่นนั้นยังทูกปกปิดอยู่ก็ได้หรือทุกอัดแน่นอยู่ก็ได้ดันงนั้นจึงมาทำข่มรู้สึกตัวนี่ให้มันรู้สึกพลิกมือก็ให้รู้สึกอ้มลงก็ให้รู้สึกเงยหน้าขึ้นก็ให้รู้สึกเลี้ยวไปยังนี้ก็รู้สึกเหลี้ยวมายังนี้ก็รู้สึก พิษตาเนี่ก็รู้สึกมือนขึ้นก็รู้สึกตาเหลียวเลือด้ายแลหขวาก็รู้สึกกืนน้ำลายไปในลำคอกับรู้สึกนี่แบนี้หายใจเข้าหายใจออกรู้มันนึกมันคิดรู้ทั้งนั้นก็เลยเกิดสัญญาอันนี้รู้ขึ้นมาสัญญาได้จดที่มันรู้นี่ะสัญญารู้อันน้นไม่ใช่เราไปรู้จำมาจากตำหนักตัวสัญญามันรู้มันเองตัว่ามันไม่หลงมันไม่ลืมมันจึง แน่นแฟ่นแนบแน่กับสิ่งเหล่านั้นจึงว่ามันเป็นของธรรมชาติมันการปฏิบัติธรรมะก็เช่นเดียวกันเมื่อเราคุ้นหูเข้ามาหรือตนหนิํานานเข้ามาแล้วไม่มีวันที่จะเลื่อนเรื่อนได้คําว่าปรามาัดบัญญัตินั้นต้องเห็นจิตใจเรานึกคิดพุ่นจึงเป็นปรามาตัตดขึ้นมาจริงๆริงเลเป็นปรามาัดโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันรู้เก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นจึงปรามาัดบัญญตัติอัฏฐะบัญญัติคือลึก บุคคลที่เห็นจิตใจและชีวิตตัวเองเนี่ยยากบุคคลที่จะเข้าใจคนเราจึงเป็นทุกข์เพราะจิตใจมันนึกมันคิดนี้เองเมื่อมันนึกมันคิดขึ้นมาล้วก็เข้าไปในความคิดไม่มีการหยุดการถอยเลยบางคนนอนไม่หลับบางคนคิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นปรมัตบัญญัติขึ้นมาเพราะโดยตัวมันเอง ยิงบัญญัติขมาตัวสัญญาตัวนี้เองมันจะบัญญัติขึ้นมันเองตัวสัญญาเข้าไปสัมผัสแล้วมันจะบัญญัติตัวขึ้นมาตัวมันขึ้นมาเองจึงหวัดตัวสัญญาตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่สัญญานี่ควรหมายรู้จําได้ใครก็จําได้อย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ฟังหลายเท่อก็จําได้สิแต่ยังไม่เป็นสัญญาของเราเป็นสัญญาของคนอื่นจํามาจากการได้ยินได้ฟังนิตาเห็นตัวหนังสือเนี่ย ตำมลาเขาว่าอย่างนั้นอันนั้นเป็นสัญญาโดยที่ว่ามาจากตำมลามันไปค้านเอากับหนังสือกะะับเรามันช่ยบอกยาเสื่อถือโดยเห็นมันมีอยู่ในตำมลาเนี่ยท่านบอกว่ายาเสื่อถือว่าบุคคลที่พูดนั้นน่าเสื่อถือเนี่ยเราไปเสื่ออย่างนั้นก็แสดงว่าเราไม่ไม่ฟังคำพูดให้มันดีๆเราเคยได้ยินบางคำนะที่เราฟังกันแล้วมันตีความหมายไปไม่เหมือนกันนี่นะอย่างที่พระพุทธเจ้ากับพระวกลิกนี่นะ เราเคยได้ยินทุกคนในหลวงพ่อฟังมาแต่บ้านหลวงพ่อก็พูดกันอย่างนี้ภระวักกะฤทธเนี่ยชอบพระพุทธเจ้าไปไหนมาไหนก็ติดตามพระพุทธเจ้าทันว่าอย่างนั้นบัด น, นี้พระวักกะฤทธก็เลยไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามภระวักกะฤทธ์พระวักกะฤพระวักกตายเป็นไม่ตายเป็นถ้าตายแล้วก็เน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็น ซีมาใส่ตัวอันนี้พระวักกะเกว่าไม่พระพุทธเจ้าตีครับตายเป็นไหมตายเป็นตายแล้วก็เน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นถ้าหากตายเป็นเน่าเหม็นเป็นแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไงเนี่ยท่านว่ายงตัวนี้สําคัญนะตอนที่จะพูดต่อไปดีนะท่านว่าเอาไม่ต้องพูดถึงไรี้หนี้พูดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนี่ยผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับสายชีวรเราอยู่ นิ้วจับนิวน้วมือนิ้วเท้าเราอยู่ก็ไม่เห็นเราซื่อไม่เห็นธรรมเนี่ยเราบนันทึกขันเห็นธรรมเราต้องไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงให้เนี่ยมันไม่ใด้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นมันเป็นวัตถุมันเป็นวัตถุธาตุมันเป็นดิ่ น, น, น้ําไสลมทันว่าอย่างนั้นแต่คนก็เลยไปปฏิบัติธรรมะไม่ใช่คนอื่นและหลวงพ่อนี่เองนะพูดจูนเองนะดีกว่านะมันจีบจับไม่ขาดเกินเนี่ยเราเองเนี่ยพูดว่าต้องเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็น ตีความจริงท่านให้เห็นตัวเรานี่เองกำลังทํากําลังพูดกําลังคิดนั่งอยู่นอนอยู่เดินไปเดินมาให้เห็นตัวเรานี่เองท่านว่าเห็นเราไม่ใช่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เห็นพอหเห็นแม่เราเนี่ยเห็นตัวเรานี่จะผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราเนี่ยเห็นตัวเราจริงจริเนี่ยอันนี้แหละมันตีความหมายมันพิษอันนี้ต้องต้องเห็นรูปพระพุทธเจ้าเห็นเหาะมาลอยมาดวงจิตวิญญาณพระพุทธเจ้า อันนั้นก็เห็นจริงแต่ของทูกเห็นนั่นน่ะไม่ใช่สิ่งของจริงเนี่ยฟังให้มันดีนะที่เห็นจริงแต่ของที่เห็นนั่นไม่ใช่สิ่งของจริงทำไมจึงไม่เป็นของจริงเราจะเห็นจริงทําไมมือตาขึ้นแล้วก็ไม่เห็นจิตเราลอกลวงเราเองคนดูรานถ้าจึงสอนเอาไว้ว่าจิตคนเนี่ยเร็วที่สุดเหมือนกับลิงวะท่าจนาจิตคนเนี่ยเหมือนกับลิงลิงให้มันนั่งนิงน่งๆมันไม่ได้มันต้องกระ โ, โดดโลดเต้นนั่งอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แหละ มันเป็นจับนื้นจับนี้ท่านจึงสอนว่าจิตคนนี้วอกแวกก่อลับได้ไวบิดมีลานไขในต้นเราท่านนะควรบังคับกลนให้จิตหมุนมาแต่ในทางข้างดีเพราะปล่อยไว้เดเนี่ยเขาปล่อยมันเขาบม่รู้จักมันให้มันหมุนไปในทางข้างกีรทำที่มีก็จักหนีจักนายหายศูนย์ทำอะไรมีมันหนีไปก็ควรรู้สึกไม่มีนั่นเองก็ไปรู้ไปดูความคิดัหนึ่ง มันนึกความนี้จะกลยศูนย์ไปหายไปอะธรรมเข้าครอบงำมั น, นอาธรรมอันนั้นควรมน้ยั่สมบูรณ์กดปิ้งปอกหลอกตนเนี่ยใจมันหลอกเราแล้วก็เห็นหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังหลวงพ่อเห็นเลขเห็นลอตเตอรี่เนี่หลวงพ่อเดินจึงกลมไปหลวงพ่ อ, อยังคิดว่าจะไปซื้อเลขไปพ่อหลวงพ่อไม่รู้ทั น, นกลไกของความคิดนี้เองเมื่อมารู้กลไกของงงคิดโอมันเป็นมายาความคิดนี่มันเป็นมายาจริงๆเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้น ดังนั้นให้เราเข้าใจรู้จริงของจริงเป็นจริงที่หลวงพ่อผูนูนี่รู้ตัวเองรู้ทุกคนฟังแล้วไปพิจรารณาเองเดินชมกลมบ้างทำโควมรู้สึกตัวรู้ขึ้นมาสัญญาตัวนั้นจะรู้ขึ้นมาเพราะสัญญาณมีในคนทุกคนไม่ยกเว้นความคิดมปนจัปรุงแต่งตัวเราอยู่เสมอไปให้มันมีความคิดปรุงแต่งนี้ทันว่าอย่างนั้นจึงว่าสังขารปรุงแต่งเนี่ย เวทนาสัญญาสังขารมันปุงมันแต่ท่านเรารู้ดีแล้วทําไมจึงให้สังขารปุงเราไม่รู้เราไปจํามาเราไม่มีสัญญาตัวนี้เมื่อสัญญาตัวนี้เห็นรู้เข้าใจแล้วโอหนี้หนีจากความคิดแบบนี้ถึงวะวิชารู้แจ้งรู้จริงนะอะวิชาคือไม่รู้อันนี้นี่เองเราเข้าไปในความคิดเราก็ปุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดกะเพราะหูเนี่ยเดินจมกลมไปบางครั้ง น, ะงนั้นหลวงพ่อ